ม, มีเรื่องราวที่น่ากลัวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องจริงแล้วก็จะพยายามไม่เอ่ยถึงสถานที่ที่ชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงมีให้เห็นแล้วก็เป็นอยู่นะคะ เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังทางบ้านค่ะเคยโทรไปพูดคุยกันกับพิธีกรผีกับพลทองพลับเมื่อประมาณสัก1ิบกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งญาติญาติของเจ้าของเรื่องที่นี่เนะะี่ยะก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านวิศวกรแล้วก็ออกแบบก่อสร้าง ห้างนี้นี่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ได้ทำการก่อสร้างมีบริษัทรับเหมาทั้งออกแบบแล้วก็ก่อสร้างควบคุมดูแลงานได้มีการก่อสร้างตามขั้นตอนตามแบบแปลนที่วางไว้จากชั้นสองไปชั้นสามขอย้าเน่ ว, ว่าจากชั้นสองไปชั้นที่สามค่ะเรื่องก็เลยเกิดตรงนี้นะคะ หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็มีการย้ายเข้าไปอยู่ของทางร้านค้าต่างๆทั้งเป็นแบบด e พาร์แล้วก็เป็นแบบให้เช่าค่ะอยู่ได้ไม่นานก็เจ๊งกันไปแล้วก็หาผู้เช่ารายใหม่ความว่ากลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยามทางแม่บ้านเจอกันทุกรายค่ะ หุนเดินได้บ้างแม่บ้านทําความสะอาดที่มาทํางานก่อนห้างเปิดบางทีก็เจอคนนั่งร้องไห้เสื้อผ้าลอยได้คนวิ่งเข้าไปในต้นเสาซึ่งทีแรกก็คิดว่าเป็นขโมยนะคะต้องตามยามมาค้นหาแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอค่ะซึ่งช่วงห้างเลิกกล้องวงจรปิดก็จับภาพคนได้ก็นึกว่าขโมยแอบเข้ามาก็ไปค้นหายังไงก็ไม่เจอเหมือนกัน ทีนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะคะก็ต้องมีการปิดปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงออกแบบภายในใหม่โดยวิศวะกรกลุ่มเดิมค่ะมาคุมงานหลังจาก5้าทุ่มแล้วนะคะพวกวิศวะกรก็พากันขึ้นไปทานข้าวที่ห้องอาหารชั้น5้าซึ่งก็ปิดปรับปรุงเหมือนกันแต่ว่าก็ยังคงมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งโดยการซื้ออาหารมาทานเองนะคะ เหล่าคนงานที่มาตกแต่งร้านก็พากันกลับหมดแล้วกลุ่มพวกวิศวะก็พากันนั่งทานอาหารกันอยู่นั้นเหลือไปเจอผู้หญิงวัยกลางคนท่านหนึ่งนั่งซึมเศร้าอยู่ในมุมมืดมองมาทางกลุ่มที่กําลังทานข้าวกันอยู่หัวหน้าก็พูดกับลูกน้องบอกใครวะดึกดึกดื่น ด, ดยังไม่กลับอีกมานั่งอยู่ตรงนี้ไปเรียกเขามาทานข้าวด้วยกันสิแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยไปเรียกหญิงวัยกลางคนคนนั้นมาทานข้าวด้วยนะคะพี่พี่ทำไมยังไม่กลับอีกมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากผู้หญิงคนนั้นค่ะก็เลยสำทับกํากับไปอีกว่าพี่ทําไมยังไม่กลับอีกมาทําอะไรอยู่ตรงนี้หัวหน้าเราให้ผมมาเรียกไปทานอาหารด้วยกัน ม, ama, มามาพี่มาทานข้าวด้วยกันเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างช้าช้านะคะเสียงก็ออกทานองอีสานว่าไม่ไปหรอกให้หัวหน้าเธอมาทานที่นี่สิฝ่ายลูกน้องก็ตะโกนไปบอกหัวหน้าที่นั่งห่างไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณสัก5้าหเมตรว่าหัวหน้าเธอไม่ไปหรอกเธอให้พวกเรามาทานที่โต๊ะของเธอ จะบ้าแล้วพวกเราเยอะกว่าจะให้ย้ายไปที่ที่คนน้อยได้ยังไงมานั่งที่นี่ด้วยกันสิผู้หญิงคนนั้นได้ยินก็ค่อยๆหันหน้ามาทางหัวหน้าแล้วก็กลุ่มวิศวะอย่างช้าๆนะคะก็มองแบบตาขวางหน้าเศ้าๆค่ะแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าหัวหน้าไม่เจอกันตั้งนานยังใจดําเหมือนเดิมนะหัวหน้าก็งงค่ะก็เลยถามไปบอกป้ารู้จักผมเหรอทําไมผมไม่รู้จักป้าเลยทําไมจะไม่รู้จักล่ะป้าแกตอบ เออแล้วป้าเป็นใครอยู่ที่ไหนมาทําอะไรที่นี่เสียงจากผู้หญิงลึกลับพูดกลับมาค่ะบอกว่าเวลาผ่านมาไม่นานทําเป็นจําหนูไม่ได้ก็หนูติดอยู่ที่ต้นเสาชั้นสองที่หัวหน้าไม่ยอมทุบเอาหนูออกมาไงเสียงตอบจากป้าคนนั้นแค่นั้นรหะค่ะคุณผู้ฟังหัวหน้าวิศวะวิ่งป่าราบก่อนเพื่อนเลยค่ะลูกน้องที่นั่งอยู่ด้วยก็วิ่งตามแล้วก็ถามหัวหน้าข้างนอกตึกว่าวิ่งทาไมหัวหน้าตอบมันไม่ใช่คน แล้วก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นพลางสัมทับไปบอกว่าห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ไม่งั้นเดือดร้อนกันทั่วจนกว่าจะหมดพันธะจากการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทนี้ก่อนเรื่องที่ปกปิดเป็นความลับก็คือห้างแห่งนี้ตอนก่อสร้างนะคะมีคนงานเป็นผู้หญิงวัยกลางคนชาวอีสานค่ะตกลงไปในเสาเอกหรือว่าเสาหลักตอนเทปูนมาเจอตอนที่เขาแกะบล็อกออกจากเสาก็เลยรู้ค่ะว่ามีคนอยู่ข้างใน จะเอาออกก็ อ, ออกไม่ได้ต้องทำการรื้อใหม่ทั้งชั้นจะสูญเสียงบไปหลายสิบล้านบาทก็เลยหาวิธีแก้โดยการโบกปูนฉาบทับไปเลยแล้วก็ปิดเป็นความลับสุดยอดสอบถามถึงคนที่ติดอยู่ข้างในเป็นใครสุดท้ายจึงได้รู้นะคะว่าเป็นเมียคนงานคะ่ะที่ทำงานอยู่ที่นี่ฝ่ายผู้รับเหมาและก็วิศวะก็เลยต้องหาวิธีโดยไม่ต้องรือ้อทำยังไงและคะก็เสนอเงินจานวนหนึ่ง ให้กับฝ่ายสามีแล้วก็ฉาบปูนทับไปเลยไม่มีการเอาศพออกเรื่องก็เงียบไปแต่ก็อย่างว่าแหละนะคะมันก็เลยเป็นอาถรรพ์ค่ะใครที่มาบริหารห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหม่ๆจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศนะคะเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เจ๊งแล้วก็เจ๊งอีกค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะก็ยังเฮี้ยนไม่เลิกสงสารเจ้าของใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านแล้วก็ยามที่เขาไม่รู้ก็ต้องมาเจอดีเข้าให้ในตอนกลางคืน เรื่องราวของความลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นกับใครผู้นั้นก็ย่อมมีความรู้สึกนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องพิเศษที่สุดในชีวิตคุณปอป่านฟ้าเป็นผู้หนึ่งค่ะที่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับท่านบ่อยมากแล้วก็ต่อไปนี้นะคะคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านได้บันทึกไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างภพซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ท่านเองยังเป็นเด็กอยู่นะคะ แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านเองเนี่ยก็ต้องหายจากโรคไข้ไข้เจ็บได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์เลยท่านได้บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นไว้นะคะบอกว่าดิฉันจำได้ว่าเมื่ออายุ14ปีในปีพุทธศักราช2511ระยะนั้นโรคไทฟอยด์กำลังระบาดในหมู่บ้านดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งในจานวนนั้นด้วยมีเด็กที่เป็นไทฟอยด์ราว4คน แต่แรกดิฉันไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคอะไรป้าของดิฉันคิดว่าเป็นไข้ทับระดูก็เลยหายามอมาต้มให้ดื่มดื่มจนหมดหม้ออาการก็ไม่ทุเลาเบาบางลงทำอย่างนี้เกือบเดือนจนร่างกายสู้ผอมกางเกงที่เคยใส่ได้ก็ต้องหาเข็มขัดคาดไว้เพื่อไม่ให้หลุดลงไปกองอยู่กับพื้นในคืนหนึ่งดิฉันจำได้ว่าร่างกายของดิฉันร้อนเป็นไฟตัวสั่นสะท้าน รู้สึกว่าตนเองคงทนไม่ไหวแน่นอนยาที่กินเข้าไปก็ไม่ใช่ยาที่จะรักษาโรคโดยตรงอาการทองร่วงจะเป็นเป็นหายๆตลอดระยะเส้นผมบนหัวก็ร่วงหล่นในขณะที่คิดอยู่นั้นใจของดิฉันก็พลันนึกถึงคุณตาที่สิ้นไปแล้วตั้งแต่ดิฉันยังไม่เกิดมีแต่รูปที่เหลือไว้ให้รู้ว่าคุณตาของดิฉันหน้าตาเป็นเช่นไร ดิฉันนอนอยู่บนที่นอนด้วยอาการทุรนทุรายอ้าปากเรียกใครให้ช่วยก็ไม่มีใครได้ยินร่างเหมือนถูกตรึงแล้วก็ถูกเผาด้วยไฟเพราะอาการของไข้ที่รุกล้ำใจของดิฉันกลัวว่าตนต้องตายในครานี้แน่นอนพลันน้ำตาก็ไหลออกมานึกถึงพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก่อนที่ตัวเองจะตาย ดิฉันพยายามค่อยๆ ย, ยกแขนพนมมืออยู่บนอกในท่านอนใจก็ภาวนานนโมตัดสะสจบแล้วก็บอกว่าขอให้คุณตามมาช่วยหลานด้วยหลานยังไม่อยากตายดิฉันพูดช้าๆหลายครั้งหลายหนจนหลับไปไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเห็นแสงสว่างปลายเท้าสาดมาที่ใบหน้า แล้วดิวฉันก็มองด้วยความสงสยัยเมื่อเห็นผู้ชายสองคนคนหนึ่งรูปร่างสง่างามสูงอายุนุ่งผ้าจงกระเบนเสื้อสีขาวส่วนอีกชายคนหนึ่งนั้นรูปร่างอ้วนเตีย้ยไม่สวมเสือ้อนุ่งแต่ผ้าจงกระเบนในมือถือลูกบวบที่แห้งเป็นสีน้ำตาลแต่มีลักษณะกลมมีผลแล้วก็มีผลเล็กแล้วก็ผลใหญ่ชายสูงอายุที่งามสง่าผู้นั้นยิ้มมาที่ดิฉันแล้วก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เมตตาว่าหายเร็วๆนะ พลางชายผู้นั้นก็หยิบลูกบวบแห้งจากมือของชายรูปร่างเตี้ยอ้วนแล้วก็โยนใส่ฉันแล้วก็พูดขึ้นว่าจำไว้นะทําดีย่อมได้ดีทําชั่วผลนั้นจะตอบสนองชายผู้นั้นสอนดิฉันพร้อมกับภาพนั้นค่อยๆหายไปดิฉันตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยอาการทุเลาเบา บ, าบางลงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังอ่อนเพลียอยู่บ้าง ดิฉันยังนึกว่าคนที่เราเห็นทั้งสองคนนั้นคือใครนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเพราะว่ามองหน้าไม่ชัดก็เลยละความคิดนั้นแล้วก็ได้นอนหลับไปในตอนกลางวันของวันนั้นในขณะที่เคลิ้มอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่ได้ช่วยแล้วก็สอนในคืนนั้นดังขึ้นมาว่าไปกับข้าไหมจะพาไปเที่ยวใจดิฉันก็ตอบว่าอย่าไปนะเดี๋ยวไม่ได้กลับ แต่ก็เหมือนกับรั้งตัวไม่ได้ต้องคล้อยตามเจ้าของเสียงนั้นจนรู้สึกว่ากำลังเดินสบายตามชายสูงอายุสงามสง่าผู้นั้นไปดิฉันก็พยายามมองหน้าชายผู้นั้นมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นใบหน้าถ้าดิฉันเงยหน้าขึ้นมามองเขาเขาก็จะตัวเท่ากับคนธรรมดาดิฉันสังเกตเขาเป็นคนผิวค่อนข้างดำรูปร่างสูงโปร่งน้าเสียงแฝงด้วยอานาจแล้วก็ความเมตตาอย่างบอกไม่ถูก แต่ว่านึกแปลกใจที่ทำไมเขาไม่ให้ดิฉันเห็นใบหน้าหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักดิฉันก็ได้แต่เดินข้างๆเขามองรอบๆมันไม่ใช่สถานที่ธรรมดาอย่างทั่วไปมันคล้ายกับถ้าแต่เป็นถ้ำสีขี้เท้าถ้านั้นไม่กว้างเท่าไหร่นักลักษณะเหมือนมีทางเดินยาวออกไปเรื่อยๆลงไปไม่มีต้นไม้แล้วก็ไม่มีสัตว์เลย ดิฉันเดินไปเห็นชายเท่าคนหนึ่งเปือยกายอยู่รูปร่างผอมเหมือนคนติดยาส่งเสียงร้องโอดครวนกำลังคลานตรงมาหาดิฉันแล้วก็เอื้อมมือจะจับมือดิฉันพร้อมกับพูดขึ้นว่าหิวเหลือเกินขออาหารข้าหน่อยดิฉันตกใจกลัวถอยหลังหนีพลันชายสูงอายุที่พาดิฉันมาก็พูดขึ้นว่าถอยไปอย่าเข้ามาใกล้เขาคนนี้เดี๋ยวก็ลงโทษเองให้หนักหรอกชายเท่าผู้นั้นก็ตกใจกลัวเมื่อได้ยินเสียงถึงกับหมอบถอยไป ขณะนั้นในใจของดิฉันคิดว่าที่นี่คงไม่ใช่สถานที่ที่ดีแน่ถึงได้มีสภาพหน้าเวทนาเช่นนี้อะไรไม่ทราบทําให้ดิฉันคิดว่านี่ต้องเป็นแดนนรกแน่ๆเลยชายสูงอายุถามดิฉันว่าไปไหนเองอยากจะไปไหนดิฉันก็เลยตอบว่าถ้าที่นี่เป็นแดนนรกก็อยากจะดูต้นงิ้วและกระทะทองแดงว่ามีจริงไหมชายสูงอายุก็เลยตอบไปบอกว่ามีจริงแต่เองยังเด็กอยู่ถ้าเห็นแล้วคุมสติไม่ได้ ดิฉันไม่เข้าใจว่าดิฉันจะข่มสติไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรอาจจะหมายถึงเป็นบ้าหรือว่าสภาพจิตใจอ่อนไหวก็ไม่ทราบได้แต่ว่าด้วยความที่ดิฉันเป็นเด็กดิฉันก็เลยกล่าวขึ้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็อยากเห็นสวรรค์ชายสูงอายุผู้นั้นกล่าวแล้วก็บอกว่าได้เดี๋ยวข้าจะพาไป ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองได้มายืนอยู่ที่สถานที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตมีเด็กขนาดดิฉันแล้วก็เล็กกว่าดิฉันหลายคนกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานพวกเขาแต่งตัวกันสะอาดสะอ้านสวยงามเล่นกันอย่างสนุกสนานยิ้มแย้มใบหน้าสะอาดสะอ้านน่ารักทุกคนสักครู่หนึ่งพวกเขาต่างก็หันมามองที่ดิฉันที่เห็นยืนอยู่กับชายสูงอายุผู้นั้น พวกเขาจ้องมองอย่างสนใจส่วนดิฉันเมื่อเห็นว่าเขามองมาก็รู้สึกอายเพราะตัวเราแต่งตัวไม่สวยอย่างพวกเขาคือสวมกางเกงขาสั้นกับเสื้อเชิ้ตซึ่งดูมอมแมมดิฉันก็เลยก้มหน้าเพราะว่าความละอายใจแล้วก็ในความอายเสื้อผ้าตัวเองพร้อมกับหันไปบอกชายผู้สูงอายุคนนั้นว่ากลับกันเถอะหนูอยากกลับชายสูงอายุคนนั้นก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็พูดว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วผล น, นั้นจะตอบสนองเองจำที่สอนไว้ ดิฉันพยักหน้าแล้วก็ยิ้มและมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีคนเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าให้ก็เลยลืมตาขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องฟังจากนั้นป้าดิฉันก็บอกว่าควรทําบุญให้กับชายสูงอายุที่มาช่วยแล้วก็มาสอนดิฉันดิฉันก็ทําตามคําแนะนําดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเขาคือคุณตาดิฉันที่เป็นห่วงหลานแล้วก็ยังมั่นใจว่าคุณตาอยู่ในอีกภพหนึ่งซึ่งมีแรงบุญแรงกรรมเป็นอํานาจในภพนั้นซึ่งความคิดอันนี้ก็สืบมาจากประโยคสุดท้าย ก่อนที่เราจะจากกันนั่นเองพูดถึงเรื่องคนที่ไปท่องดินแดนนรกหรือว่าแดนสวรรค์นะคะหรือว่าพูดอีกในหนึ่งคือตายแล้วฟื้นค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะที่ถูกเขียนไว้โดยพระกนตัตตสิริพิขุหรือว่าธนสิริสิริสัมพันธ์ค่ะถูกเขียนขึ้นเมื่อปี2497 เรื่องนี้ท่านบอกว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์ขณะที่วิญญาณของท่านเนี่ยได้เคยไปย ม, มโลกมาแล้วเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้บุคคลปฏิบัติแต่กุศลกรรมค่ะเพื่อความสุขในสัมปรายภพไม่ลุ่มหลงในความสุขอันจอมปลอมจนต้องสร้างอากุศลกรรมซึ่งเป็นทางไปสู่อบายภูมิ เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะเมื่อสมัยท่านอายุได้19ปีเศษในครั้งที่1แล้วก็ครั้ ง, งที่2นะคะเมื่ออายุ27ปีซึ่งขณะที่เขียนบันทึกนี้ท่านเองก็มีอายุย่างขึ้นเป็นปีที่35แห่งเส้นทางของชีวิตโดยท่านได้บันทึกไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ เป็นธรรมดาบุคคลทุกรูปนามที่เกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขความสบายโดยหาได้คํานึงถึงว่าความสุขความสบายที่ตนเองได้พยายามขวนขวายสร้างขึ้นนั้นเนี่ยเป็นความสุขความสบายที่จอมปลอมไม่ยั่งยืนเพราะว่าเกิดขึ้นชั่วการหนึ่งแล้วก็ดับสลายไปตามการภาวะ ดังนั้นเราจะยึดอะไรล่ะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเพื่อให้ไปถึงซึ่งสุขติภพทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตขอท่านทั้งหลายได้โปรดติดตามเรื่องของข้าพเจ้าต่อไปและก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณอันสุขุมเพ่งพินิษเพื่อนำไปใช้เป็นทางดำเนินชีวิตอันจะยังประโยชน์มาสู่ท่านตามสมควร เมื่อข้าพเจ้าอายุได้27ปีหเดือนข้าพเจ้ามีอันเป็นไปเริ่มเจ็บออดแอดแมาก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีเศษเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็โรคลำไส้น้ําหนักตัวจาก62กิโลกรมัมลดเหลือเพียง42กิโลกรมัมเรียกว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกข้าพเจ้าจึงถูกแนะนําจากหมอให้ทําการผ่าตัดข้าพเจ้าถูกนําเข้าห้องทําการผ่าตัดใหญ่พอหมอได้ทําการวางยาสลบข้าพเจ้าก็รู้ว่า กำลังของข้าพเจ้าน้อยมากพอได้กลิ่นยาสลบไม่นานข้าพเจ้าก็สลบไปหมอได้เริ่มวางยาสลบเวลาเ้าโมงนาทีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราชสองนรซึ่งเป็นปีที่นำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ภายหลังจากข้าพเจ้าสลบไปแล้วก็ถูกชายตัวดำเหมือนคราวก่อนมาพาข้าพเจ้าไปแต่ว่าคราวนี้ข้าพเจ้าจำได้พอรู้สึกตัวว่าเขาพาข้าพเจ้าเข้าไปประตูยมโลก คราวนี้ข้าพระเจ้าได้เดินผ่านบริเวณที่มีการลงโทษของโยมโลกสิ่งแรกที่ได้เห็นก็คือกระทะต้มน้ำร้อนใบใหญ่มีเจ้าหน้าที่สองคนยืนอยู่ใกล้กันกับปากกระทะแล้วก็มีคนที่รอการลงโทษยืนเข้าแถวอยู่ใกล้กันกับปากกระทะอย่างเป็นระเบียบ ในกระทะก็มีคนถูกนำลงไปต้มอยู่หลายคนลักษณะคล้ายๆ ก, กันกับกระทะหุงข้าวใบใหญ่ๆที่มีเปลวไฟลูกแดงอยู่ตลอดเวลาข้างๆกระทะก็จะมีคนที่ถูกจับต้มแล้วก็นั่งร้องอดครวนอย่างน่าสมเพชส่วนพวกที่กำลังเข้าแถวอยู่ก็รู้สึกว่ามีความสยองและก็หวาดกลัวเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ที่จัดเข้าแถวนั้นก็จะเอาสามง่ามซึ่งเป็นเหล็กแหลมแทงคนที่อยู่แถวหน้าสุดใส่ลงไปในกระทะ ส่วนคนไหนที่เห็นว่าถูกทรมานจนน้ำร้อนเกิดเปลวไฟเผาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้สลบคอพับคอตกไปก็จะแทงเอาคนนั้นออกมากองไว้ข้างๆสักครั้งหนึ่งให้มานั่งทรมานอยู่ข้างกระทะมีคนที่ทรมานอยู่ประมาณครั้งละ 5-6 คนพอเดินต่อมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็พบคนกําลังขึ้นต้นไม้แห้งลักษณะของต้นไม้นั้นเป็นพุ่มคล้ายกับต้นมะขามที่เขาตัดไว้เป็นระเบียบแต่ว่าไม่มีใบคงมีแต่กิ่งแล้วก็หนามซึ่งยาวประมาณตั้งศอก ทั้งแหลมทั้งแข็งข้าพเจ้าเห็นคนกำลังไต่ขึ้นบนยอดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ข้างล่างเนี่ยคอยถือเหล็กแหลมแทงให้ถึงยอดเมื่อเขาไต่ขึ้นไปถึงยอดของต้นไม้นั้นตามตัวก็จะเป็นริ้วรอยที่ถูกหนามแหลมทำให้มีเลือดไหลยอยู่โรมกายครั้นพอเขาขึ้นไปถึงยอดแล้วก็ไต่ลงมาอีกครั้ง และเมื่อไต่ลงมาพอได้กับระยะที่หอกของเจ้าหน้าที่ถือไว้ที่เป็นเหล็กแหลมเนี่ยก็แทงอยู่ก็แทงไล่ขึ้นไปให้ขึ้นไปบนยอดอีกซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าเดินผ่านเข้ามาในประตูยมโลกนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมเข้าถึงถูกลงโทษแบบนั้นและคนที่ถูกลงโทษแบบนี้เนี่ยได้ทาบาปหรือว่าทากรรมอะไรไว้บ้าง ในสมัยเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าพอจะเดาเหตุการณ์ได้ละว่าเป็นอะไรขอให้ท่านคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยโปรดทำความเข้าใจเอาเองก็แล้วกันข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปถึงตอนที่เดินต่อไปนั้นก็ขึ้นบันไดเตี้ยๆขึ้นไปเหมือนเมื่อไปครั้งแรก แต่ว่าคราวนี้ก่อนขึ้นบันไดได้มองเห็นไก่อูตัวงามตัวใหญ่มากยืนอยู่ที่ตีนบันไดหินอ่อนเตี้ยๆนั้นและก็มีทั้งไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้อีกแต่ไม่สู้มากนักที่มีมากคือนกกระจาบทะเลเป็นฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบันลังนั่นเองเมื่อข้าพเจ้าไปถึงก็หยุดยืนอยู่ตรงหัวบันไดที่เดินแต่ว่าคราวนี้ปรากฏว่าอิตายมมาบาลและเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมานั่งบันลังเตรียมพร้อมอยู่แล้ว พอข้าพระเจ้าถูกนำไปเท่านั้นแหละเจ้าไก่อูตัวนั้นพูดเป็นภาษาคนฟ้องย ม, มาบาลว่าคนนี้ที่พยายามฆ่าฉันให้ตายหลายครั้งหลายหนและคนนี้จาได้ไม่ผิดตัวแน่จากนั้นเจ้าไก่ตัวอื่นๆก็พลอยฟ้องเช่นเดียวกันอีกส่วนเจ้านกกระจาบทะเลฝูงนั้นก็ร้องบอกว่าคนนี้แหละที่ยิงจำได้ไม่ผิดสัตว์เหล่านี้พูดภาษาคนทั้งนั้นค่ะ ฟังแล้วมโนภาพข้าพเจ้าก็หนึกระลึกถึงการกระทาของข้าพเจ้าเมื่อสมัยยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้ดีทุกประการว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าไก่อูที่ไหนและได้พยายามฆ่าอย่างไรเจ้าไก่ตัวนี้ก็ไม่ตายสักทีหนึ่งจนกระทั่งต้องตัดหลอดลมขาดก็ยังวิ่งหนีได้ข้าพเจ้าต้องจับมาเชือดแล้วก็เชือดอีกจนกระทั่งคอของมันขาดมันถึงได้ตาย ส่วนเจ้านกกระจาบทะเลเมื่อสมัยข้าพระเจ้าอายุได้17ปีที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้ไปยิงนกกระจาบเหล่านี้ตามหนองน้ําที่มันลงกินน้ําที่ลงเป็นฝูงฝูงยิงครั้งหนึ่งไม่ต่ํากว่าครึ่งปิบตักน้ํานอกจากนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นโจทยื่นฟองอีกเพียงแต่โจทย์เท่าที่เห็นนี้ตาย ม, มาบาลก็บอกกับข้าพเจ้าว่าเธอทําบาปไว้มากเช่นนี้ถึงเวลาที่เธอต้องตายแล้วเธอจะต้องใช้กรรมที่เธอทําไว้ คือเธอต้องไปเกิดเป็นไก่แล้วก็ไปเป็นนกแล้วต้องถูกเขาฆ่าตายตามอายุของสัตว์เหล่านี้จนครบทุกชีวิตของสัตว์เหล่านี้ที่เธอได้สร้างกรรมให้กับเขาไว้เพื่อเป็นการชดใช้กรรมเมื่อเธอได้ไปเกิดและก็ถูกเขาฆ่าตายลงเช่นเดียวกันกับเราที่ฆ่าเขาแล้วเราก็จะกลับไปจุติที่สุขติภพเป็นเทวดาเพราะว่าบุญกุศลเราได้เคยสร้างไว้ก็มีอยู่มากเหมือนกัน พอพูดจบเท่านั้นแล้วยมาบาลก็หันไปสั่งคนที่พาข้าพเจ้ามาบอกว่าพาให้ข้าพเจ้านี่ไปจัดการได้แล้วแต่พอข้าพเจ้าหันออกมาจะเดินตามคนนั้นไปก็ได้ยินเสียงคนทางด้านหลังด้านหน้าบรรลังนะคะที่เป็นสนามหญ้าตะโกนบอกว่าประเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพาเขาไปเขายังมีความดีอยู่อีกยังไม่ควรที่จะตาย ข้าพระเจ้าจึงหันไปดูตามเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นเ ต, าต่าตัวใหญ่ถนัดใจกําลังคลานต้วมเตี้ยมตุ้มเตี้ยมออกมาจากสนามหญ้านะคะพอจวนถึงหน้าบันลังค่ะตายมมาบานก็เลยถามเ ต, าต่าตัวนี้ว่าที่ว่าเขายังมีความดีอยู่นั้นอย่างไรเต่าก็เลยบอกครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งจับตัวเขาเพื่อจะไปฆ่าแล้วคนคนนี้เนี่ยได้เอาฆ่าไปปล่อยไว้ในสระแห่งหนึ่งในวัดสระนั้นมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารไปให้ ข้าได้อาศัยอยู่ในสระน้าเหล่านั้นจนหมดอายุของข้าพระเจ้าย ม, มาบาลก็เลยถามเต่าว่าถ้าอย่างนั้นเจ้ามีหลักฐานอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาได้เคยช่วยชีวิตเจ้าเต่าก็เลยบอกมีสิครับให้ท่านมาช่วยพลิกท้องข้าดูเขาเขียนชื่อเขาไว้ที่ใต้ท้องข้าย ม, มาบาลจึงสั่งให้ทุกคนที่เป็นผู้คุมเนี่ย ไปพลิกท้องเต่าดูพร้อมทั้งข้าพเจ้าก็ได้ติดตามไปช่วยพลิกดูหน้าท้องของเต่าก็ปรากฏว่าเป็นรอยขีดด้วยตะปูเป็นลายมือของข้าพเจ้าจริงแต่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อของพี่สาวคนโตของข้าพเจ้าเพราะว่าพี่สาวเขาไปซื้อเต่าตัวนี้มาจากคนคนนึงที่นับถือกันเขาจะเอาไปแกงแกล้มสุดาพี่สาวเลยขอซื้อเป็นเงินหนึ่งตำลึง4บาทซึ่งสมัยก่อนนะว่าแพงมากนะคะ แต่ว่าพี่สาวเขานี่เป็นคนใจบุญไม่ต่อว่าอะไรพี่เขาก็ถือเต่ามาให้สลักชื่อลงที่หน้าท้องเต่าซึ่งขณะนั้นเต่าตัวนั้นโตประมาณสองฝ่ามือกลางเต็มๆเท่านั้นเองไม่ใหญ่โตขนาดเท่าที่เห็นพอข้าพระเจ้าเห็นชื่อก็จําลายมือได้แล้วก็นึกออกว่าเอ๊่ได้นําเต่า ต, ตัวนี้ไปปล่อยไว้ในสระภายในวัดซึ่งพระท่านเลี้ยงไว้แล้วก็มีการให้ข้าวให้น้ําเป็นประจำ โย ม, มาบาลก็เลยเรียกข้าพเจ้าพร้อมกับคนคุมข้าพเจ้าให้กลับไปที่หน้าบันลังแล้วก็กล่าวเตือนว่าต่อแต่นี้ไปเมื่อเจ้ากลับไปโลกมนุษย์แล้วจงอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่มีคุณและที่อายุมากๆอย่างเต่าเสือช้างจระเข้และสัตว์อื่นๆเพราะถ้าไปฆ่าเขาเมื่อเราตายไปแล้วเรากว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลานานมากเพราะจะต้องไปใช้นี่ชีวิตให้กับสัตว์เหล่านี้จนครบทุกๆตัว ข้าพระเจ้าก็เลยถามย ม, มาบาลว่าทํากุศลอย่างไรเมื่อข้าตายแล้วได้ใช้หนี้กรรมที่ได้กระทําไว้จนหมดจะได้มาอยู่บ้านเรือนสวยงามยมมาบาลก็เลยตอบเราต้องสร้างศาลาวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนเมื่อตายแล้วใช้กรรมจนหมดสิ้นก็จะมาอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นกุศลของตัวที่ได้ทําเอาไว้ครั้งเมื่ อ, อยังอยู่มนุษย์โลกพ่อบอกเสร็จค่ะย ม, มาบาลก็หันไปสั่งคนที่นําตัวของผู้เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ บอกว่าให้พาเขาไปดูคนที่รอจะไปเกิดเป็นคนว่ามันเป็นอยู่กันอย่างไรข้าพเจ้าก็เลยเดินตามชายผู้นั้นไปในทางที่เป็นลักษณะสวนมีลำธาร น, น้ำใสมีภูเขาเล็กๆร่มเย็นน่าอยู่มาก เมื่อเดินต่อไปอีกจนถึงทางที่มีพันธุไม้ดอกเป็นพุ่มๆ ม, มีดอกหลากสีสันต่างๆกันงดงามร่มรื่นที่นั่นมีชายหญิงแต่งกายสวยงามแต่ละคนที่มีผิวพรรณหมดจดงดงามยิ่งกำลังเดินเล่ น, ลนบ้างวิ่งเล่นบ้างหยอกล้อสนเสระรีกะดีอยู่ทั่วไปอย่างน่าปลื้มใจรู้สึกว่าเขาเหล่านี้จะไม่ทุกข์ร้อนอะไรแล้วก็คงไม่รู้จักคาว่าความทุกข์คืออะไรข้าพเจ้าก็เลยถามคนที่พาข้าพเจ้ามานี่ว่าพวกเขาคือใคร พวกเหล่านี้กำลังจุติอยู่ในโลกวิญญาณและกำลังจะไปเกิดเป็นคนต่อไปพวกเขาใช้กรรมหมดสิ้นแล้วจึงได้มาอยู่ที่นี่และมีความสุขสบายไม่มีความทุกข์มีความอิ่มเพราะว่าเขาได้บริโภคอาหารทิพย์เพียงคนละครั้งเดียวก็อยู่ไปได้นานดังที่เห็นข้าพเจ้าก็เลยถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าอยากไปดูพระพุทธเจ้าที่ว่าเข้าสู่แดนนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนเขาให้ข้าพเจ้าแงนดูบนท้องฟ้า ข้าพเจ้ามองเห็นฟ้าแต่มันเตี้ยกว่าท้องฟ้าในโลกมนุษย์เราคล้ายม่านสีดำผืนใหญ่มีจุดกลมๆคล้ายดวงดาวดวงใหญ่ๆอยู่ดวงหนึ่งนิ่งอยู่กับที่มีประกายรัศมีงามยิ่งนักและรอบๆดวงดาวดวงเล็กๆอีกพอประมาณแต่ไม่มากนักนิ่งอยู่มีรัศมีทุกดวงและเขาบอกว่าดวงใหญ่คือพระพุทธเจ้าดวงเล็กคือบริวารและจะไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นคนอีกเมื่อได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และประเสริฐกว่ามวลมนุษย์ทั้งหลาย จากนั้นเขาก็พาข้าพเจ้าเนี่ยกลับมาอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งตอนที่ข้าพเจ้ากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ19บนาฬิกาในตอนที่กำลังนอนอยู่บนเตียงคนไข้ท่าเครื่องนั่งเครื่องนอนรู้สึกตัวใหม่ๆคล้ายกับเครื่องหลับเครื่องตื่นภายหลังจากความฝันอันประหลาดต่อมาเวลาสามทุ่ม ข้าพเจ้าก็ตื่นจากความหลับไหลอันอ่อนเพลียแล้วก็ได้พบกับความตื่นเต้นใจเป็นที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้ามีความรู้สึกอย่างกับว่ามีกําลังมากมายและมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นมีความแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรทั้งสิน้นข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งจะพยายามทําบุญให้มากที่สุด ในการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ขึ้นถ้าหากว่าข้าพเจ้าเป็นคารวาตอยู่ก็คงจะไม่มีใครเชื่อด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในเพศบรรพชิตนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะได้พึงทราบแล้วก็ตัดสินเอาเองอะไรที่นำให้ข้าพเจ้าได้ไปพบสิ่งเหล่านี้มาและสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บีเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดฟันค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปมีย ม, มาบาลเนี่ยพาไปเที่ยวที่ย ม, มโลกนะคะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเกี่ยวกับของอาจารย์ทอเรียงพี่บูรณ์ที่บีได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันไปในก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ阿拉คาหมดเวลาแล้วน ะ, ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ